ตัวเดียวนะฮะแล้วก็สงบเราก็จะหมาย อ่าอย่างดีดุลยภาพของบรรดาจิตเจตสิกเหล่านั้นอย่างดีที่เราเรียก วาดผมจริงๆอย่างชัดเจนมากเหลือเกินผมจริงๆอยากจะเกิดความสงบ ไอ้ความไม่สมดุลของธาตุก็ดีความหยาบกร่างของอุปาทายรูปก็ดีเหล่านี้น่ะเมื่อจิตเราไม่ถึงภาวะ <ม. S 1> ต้องโตษะเมื่อเกิดโมหะขึ้นก็เช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อเกิดปุถุชนทั้งส่วนคือไอ้ไอ้ เป็นกายวงศ์ยัตติจิตตตรูปวิริยาบทมันไม่ครบ 4 อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็น 3 มรรยาทแล้วก็แม้ว่าคนที่มีรูป แล้วก็เกิดขึ้นในทุกเวลาด้วยก็เป็นพลังต่อตัวเราเองขึ้นในทุกเวลา ตรงนี้เราพอนึกเข้าใจในในส่วนเอ่อภาพหยาบๆนะครับในหมู่ของผู้ที่ ปั่นจึงตอนเกิดรามณ์ก็มีสุขตอนเกิดปีติก็มีสุข คือเกิดความสุขที่เรียกว่าความอยู่แล้วก็ตัวสุขนี่ว่า การที่บุคคลจะอย่างขาดไม่ได้ในธรรมนั้นต้องๆอย่างแต่เราก็พูดได้อย่างหนึ่งว่า ถ้าบุคคลผู้บุคคลผู้มีความสุขทุกขเวทนานั้นไอ้ทุกขเวทนานั้นถ้าหากว่าเป็นทุกข์ มันไม่ได้ถูกสามกำหนดความเหมื่อยนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า แต่ใจเราจักไม่คึงเป็นทุกข์เหมือนอย่างกายนั้นอันนี้น่ะไม่ใช่แก้ความคิดธรรมดาแต่ท่านอย่าพอพูดถึงตรงนี้แล้วทําเราไม่เอาคน นะถ้าอย่างนี้ท่านเอาขึ้นไม่ติดดุกอ่ะคนแต่ตรงนี้ ผ่ากลางเข้ามาในระหว่างนั้นนั้นเมื่อเป็นสุขจิตเนี่ยสภาพกายสภาพใจขณะนั้นๆด้วยเป็นสุขว่าเป็นสุขในลักษณะ อย่าลืมว่าไม่ได้เกี่ยวกับความติดไม่ติดความสุขการประพฤติธรรมจึงเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความสุขเป็นกุศลธรรมธรรมชั้นสูงซึ่งเป็นเรื่องของความสุขเช่นเดียวกันนี่ไอ้ เอ่อที่เอามากล่าวเน้นเป็นเอกเทศเป็นตัวหลักไว้ตรงระหว่างอุปจาระสมาธิและเอ่อ พูดอุปจาระพูดย้อนขึ้นก็เป็นอ่ะพูดเลยขึ้นไป บรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารปิติสุขเอกอ่าปิติและสุขเกิดแต่วิเวกดูบรรทัดแรกที่บอกว่าเธอสงัดจากกาม ท่านไตร่กรรมว่าสงัดคือเอ่อวิวิจจะแปลว่าสงัดเอ่อด้วยที่กล่าวว่าสงัดจากกามนั้นท่าน 1 นิพพาน 1 นิพพาน 5 มีกามฉันทะที่อภัยบาตทีนะมิตตาอุตตจากุกุจะและวิจิกิจฉานิยวรตัวที่ 1 ทั้งก่อนหน้า มีกามกิเลสอยู่เป็นปกติแล้วก็เป็นปฏิบัติทั้งในขณะนั้นขณะนั้นคือขณะอัมมวนา บอกกําหนัดในกามว่าเมื่อไม่ได้มาทําอย่างนี้เราก็ วิกรรมนปานะข่มตรงเนี้ยสงัดเจ็บแล้วก็กมแล้วแล้วก็หมายถึง 4 ที่เหลือท่านเรียกรวมกันว่าอกุศลธรรมท่านคือพระพุทธเจ้าทรงเอ่อกล่าวถึงอกุศลจิตที่เป็น พระดนิวรณ์วานมาตลอดตั้งแต่ต้นแม่กาลละได้คณะพาหนะก็กล่าวถึง หรือบรรลุฌานก่อนถ้าถามอย่างนี้เรากันนะอ่าคือที่ขอเรียนว่าที่ผมเนี่ยไม่ใช่อธิบาย จุดไฟขึ้นไฟลุกขึ้นแสงสว่างก็ปรากฏความทั้ง 2 ไม่ใช่ว่าองค์ฌานเกิดทีละตัวทีละตัวแล้วก็องค์ฌานละ มันจึงมีชื่ออยู่นี้แต่ว่าคงจะต้องอธิบายกันอีกหน่อยคําว่ามีปีติ อย่างชนิดที่ผู้เกิดปีติก็รู้สึกเองได้ด้วยเมื่อกําหนดเมื่อเกิดปีติเนี่ยกําหนดจิตดู เจตสิกที่เกิดอยู่ในจานจิตเมื่อจานจิตปรากฏจิตตชรูปก็ปรากฏนั้นเมื่อจิตตชรูปปรากฏเนี่ยสําหรับคนระดับ ในกระแสเลือดอะไรมันก็มีทั้งนั้นเกิดจากปีติมีปีติไปสมุฏฐานก็เลยเมื่อกำหนดที่ขาจึงเหมือนปีติอยู่ที่ขา <W> จึงว่านึกถึงตรงไหนก็สร้างไปถึงที่นั้นในความสร้างนี่เป็นแต่อาการที่มันออกมาจาก เพราะฉะนั้นอันนี้น่ะก็เห็นจักไคลคลานกับท่านที่ปุๆนะเกิดจิตอารมณ์ เดี๋ยวไอ้ตัวพลนนาปีติเนี่ยท่านบอกว่าความจริงน่ะมันเริ่มเป็นนั้นแล้วแล้วก็เมื่อถึงที่ฌานเป็น นายพระกัมพีท่านจึงว่าที่คือไม่มีช่องที่ไหนที่ไม่ใน ลาดดอเอโอที่ห้วงน้ําใหญ่หลากเข้าไปเต็มฉะนั้นห้วงน้ําก็หมายถึงหนองน้ําที่น้ําเปียกฝั่งอัปปิติ แล้วก็เจริญขึ้นถึงความเป็นองค์ประกอบของอัปปนาสมาธินั่นก็คือเจริญขึ้นเตอะเต็มที่ก็เป็นองค์ฌานองค์หนึ่งนั่นเองที่ว่าเป็นองค์ประกอบองค์ สำหรับจตุปัญจกนัยอ่าแล้วท่านก็บอกว่าท่านหมายเอาปิติในนี้ปิติมีอยู่กระจายปิตินี้มีอยู่กระจาย เราไม่มีพลนนาปิติเลยเห็นผู้เยอะบ่อยๆปิติสาปสานบางทีก็ดูบางทีก็ฟังแล้วนะฮะๆอ่ะไม่รู้ว่ามัน <c oughs> <c oughs> การแบ่งปีติ 4 ตัวนี้ท่านแบ่งในนะแต่ อย่างเราคืออย่างกามาวจรวิสัยทั่วๆไปก็อาจจะกําหนดปีตินั้นเลื่อนภูมิต่ําลงไปเลื่อนกว่าเวลาเราปีติอย่างถึงที่ ก็พูดในระดับสูงแต่ว่าก็สันนิษฐานเรื่องเรื่องของธรรมะหลายข้อเนี่ยบางเรื่องนั้นกันเสียใหม่ให้แตกต่างนะฮะ กำหนดในเกณฑ์อย่างเต็มภูมิเต็มภูมิไว้ก่อนนะภูมิเนี่ยเราก็ไม่มีเดี๋ยวยังจะผมก็อธิบายให้ผ่านวันสุขก็ได้แก่สุขเวทนาที่สุขละเอียดกว่าสุขในอุปจารสมาธิ ทั้งหมดเนี่ยครับวิตกวิจารณ์ปิติสุขเนี่ยท่านเลือกท่านเลือกเป็นในชื่ออื่นท่านจึงเรียกว่าเนกขัมมะวิตกะเนกขัมมะวิตกเนกขัมมะวิจารณ์สุขคําว่าเนกขัมมะเนี่ยความหมายสูงสุดความหมาย สำหรับเนกกรรมที่พูดกันในระดับต่ํากว่านั้นก็พูดเหมือนกันในกัมมี่ นะตรงนี้หมายถึงเป็นขั้นวิขัมภนะขั้นคันฌานนั่นเองนะเอาว่าคันจานขั้นผมเรียกอยู่เมื่อได้ฌานที่ 1 นะ. นะ. นะ, ไม่ได้คิด อยากจะออกบวชเหลือเกินออกการออกบวชดีเหลือเกิน คิดว่าการบวชเป็นของดีเป็นเนกขัมมะวิตักกะในระดับพุทธิกรรมนะในระดับพิกะพุทธิกรรมคือทําให้เกิดพุทธิธรรมออกบวชอัน อย่างนี้เป็นเนี่ยกรรมะในระดับแต่สําหรับคนได้ฌานแล้วไม่ นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมพูดในฝั่งนี้ก็จะแบ่งให้เห็นแน่ๆคิดแล้ว ไม่ได้คิดแล้วคิดก็ต้องดีทําไม่ นั่น อamma นี่นะครับเป็นเป็นเนี่ยควรจะมีความรู้ กับสิ่งเหล่านี้เอาล่ะถึงแม้ว่าเราจะทําไม่ จุดญาติมันคือความสําเร็จสูงสุดของเราแล้วมึงจะต้องเป็นรัฐมนตรีเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่า ควรจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะมามั่นหมายเอาแต่ ถ้าใครกล่าวว่าเป็นความสุขสูงสุดไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่านี้จริงๆก็พูดแล้วพูดแล้ว มีพอดีตรงที่มีอะไรต่ออะไรยังเป็นทุนเหมือนกันแม้ไอ้ตรงนี้ก็ปีกว้างแต่ว่า เอาเป็นว่าบางคนนั้นก็อาจจะไม่ถึง ที่เห็นๆอย่างหลายๆคนที่มีความเออมันมีความสุขมีความ มีความสุขเนี่ยกลับเป็นว่าไอ้เครื่องที่ทําให้เค้าได้ประโยชน์เยอะแต่ไม่อ่า ได้ประโยชน์ได้ความสุขจากสิ่งที่เขามีเขาน่าจะมีความสุขมากกว่าๆ เป็นที่พึ่งของเราได้จริงๆใครเอาไปไม่ได้ทําให้ใครก็ไม่ได้ไป แล้วก็คงแล้วก็ถ้าไอ้ก็ลูกก็วิเวกอยู่และจจังบนชะข้างหลังเนี่ยแล วิเวกก็คือวิเวกได้แก่ความสงัดวิเวกฉังจึงข้างหน้าทั้งหมดตั้งแต่สงัดจากกามมาจนกระทั่งถึงสุกนั้นมีอะไรเป็น คนที่จะทําฌานตามสมาธินั้นต้องอาศัยวิเวกแล้วถามว่าวิเวกนั้นได้แก่อะไรท่านบอกว่าหมาย เป็นต้นต้นสองว่าความสงัดกาย 2 จิตตวิเวกได้แก่ความสงัดจิตความสงัดเพาะข่มไว้ <c oughs> ที่ปฐมฌานแล้วก็อ่าไอเดียไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าใหม่ๆนะฮะสําหรับพวกเราเอ่อ <c oughs> วิเวกจากวัตถุกามสงัดจากวัตถุกามต้องละกายวิเวกน่ะที่เรียกนั้นสงัดจากกิเลสกามแล้วก็นั้นผมนิรเทศกะและนิพพานอื่นๆด้วยแต่ง่ายๆ คนที่ได้ฌานเนี่ยท่านพูดว่าจะต้องเป็นผู้ที่พลักตนจากวัตถุกามเครื่องยั่วยวน ผมไม่ได้หันไปดูมันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังจิตค่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องฌานในจิตนิ่งไปหน่อยเรียกว่าทําอย่างดีที่สุดก่อนเนี่ยพูดว่าผม อย่างอ่าสมัยหลังๆการบวชสมัยก่อนมันว่าแสดงถึงตัวเช่นเคยสวมแหวนก็ไม่ได้สวมสวมใสไม่ได้สวมมีเคยสวมแหวน ที่แล้วด้วยของมีค่าต่างๆก็ไม่ได้นี่คือปลาก สิ่งยั่วยวนเฉพาะหน้ากับคนที่เราไม่น่าจะมาเสี่ยงกับสิ่งฉันได้ฌานแล้วฉัน แล้วก็ยิ่งคนไม่นี่ทีนี้เรามาคิดดูว่าเมื่อโคนเนี่ยได้ฌานเลยเปล่าวัตถุไม่ <c oughs> ตามจิตไปจริงไอ้กิเลสตามมันไม่ได้ตามไม่ได้ตามไปแต่ตัว บทแล้วขวานเนี่ยอุตส่าห์ตามไปเลยขวานเล่มเดียวแต่ฉะนั้นความในในคัมภีอภิธรรมคัมภี 2 ถึงได้ประมวลเอาฟังคิดถึงยาคิดถึงสารพัดเนี่ยครับ ฟังอะไรมาก่อนๆหรือชอบฟังอะไรเป็นปกติเนี่ยมันเผยขึ้นมาจริงๆครับอย่างคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยพอเป็นนั่งหลับตาฟังนะเพลงที่ตัวเองชอบฟังแต่พอนั้นแล้วมันโผล่ไอ้แล้วหาย เอาไปนั่งตามล็อกออกมาแล้วไปเลยครับไปกินสุกี้เพราะ ถ้าถ้าเราเข้าใจเพล็ดใจหลังปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่กลัวครับจะเขียนว่านี่เป็นความ ด้วยการจะทําให้ออกอย่างชนิดที่มันได้ประโยชน์และเป็นการคืนคลายก็คือจะต้องกําหนดๆมา อ่าทุ้มไม้ออกกูดีแล้วให้มันทุ้มไปเถอะหน้าที่ของเรานั้นตั้งจิตให้มีสติกำหนดรู้ยิ่งนานเข้าลองคิดดูไม่มีสติกำหนดรู้มากขึ้นมันยิ่งพุ่งมากเราแล้วเราโกรธแล้วเราก็น่ะรู้ว่าเราแต่ว่า ในเวลาคนโกรธมันบอกก็รู้ตัวเองโกรธแต่ว่าไม่ได้รู้ด้วยสติมันก็ไม่เป็นการละสมาธิเริ่มต้นในตรงนี้ ละกิเลสก็คลายออกไปออกไปนี่มันและเมื่อจิตเลื่อนระดับมาจนกระทั่ง การข่มกิเลสเพราะว่าทั้ง 3 กระบวนการเนี่ยนะกายจิตวิกรรมเนี่ยคําว่าสงัด อย่างที่ศาลนั้นละด้วยการข่มไม่ให้เกิดข่มไม่ให้เกิดนั่นก็ ก็หมายกล่าวว่าคนนั้นได้ฉันนั่นเองแล้วก็ แล้วก็วิเวกนี่เป็นในจิตนั้นเองในแหละให้ชุ่ม <c oughs> การด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอันนี้เป็นการพูดถึงผลในทางกายแล้วก็มอง <c oughs> ผมไม่เอาวิตกวิจารณ์มาพูดหรอกเพราะว่าความมุ่งหมายของผู้ทําฌานเสน่ห์ของฌานเอาล่ะถึงจะบอกว่าไอ้ตัวฌานคือสมาธิทําจริงๆความมุ่งหมายจริงๆ ปีติกสุกเนี่ยครับที่มันเป็นเรื่องอันนึงอันเดียวกันและโดยความมุ่งหวังของพระ คำว่าธรรมเนี่ยไม่ได้ไปไม่ต้องไปจง กำหนดจิตไปที่ฝ่าเท้าปีติบอกไม่ถูกไปถึงที่ แต่ก็บอกแล้วว่าควรพยายามปูตลัตนิสารตามตำราตนิสารตามเอ่อบางจริงบางอย่างที่เราพอจะได้ได้ทําได้บ้างเราก็รู้สึกว่าแค่ที่เราพอได้สัมผัสบ้างก็ยังให้ความรู้สึกอย่างโพร้มต้นมีคุณค่ามากถ้าได้ในระดับที่สมบูรณ์อย่างนี้ก็คงจะมีความหมาย เอ่อเหมือนพนักงานที่ผสมน้ําอาบให้กับพระเจ้า จะอาการปราศจากไหมันแล้วก็ปราศจากโรคผิวหนังด้วยสมัยอ่าผง แล้วก็ไม่กระจายออกนี่หมายก็จะพูดให้เห็นภาพว่าปิติในขั้น ด้วยอํานาจของความชุ่มแชของติติและสุกนี่ก็เลยไม่เวลานั่งเดี๋ยวต้องมานั่งกาหัวแกรกเพราะ ซึมซาบซึมซับเฉพาะในขณะเข้าฌานหรือแม้ออกจาก แต่ว่าเมื่อออกจากฌานแล้วจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเอ๊ะทางกายก็มีความสุขอิ่มอย่างรู้พร้อมกันนั้นก็กําหนด แม้ว่าเราจะเนี่ยความสนใจเรื่องร่างกายมันจะชักจิตให้ไม่จึงรู้สึกว่าอันอื่นไม่ค่อยน่าดูน่าเห็นน่าหลงไหลแต่ตัวเองเป็นสุขไปแล้วมันก็มันจะต้อง หน้าตายิ้มเอิบเห็นอะไรก็อยากจะยิ้มให้ไปทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นแค่นี้ก็เทียบใน ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนี่เป็นปฐมฌานหรือฌานที่ 1 คราวนี้ก็มาพูดถึงทุติยฌานฌานที่ 2 ฌาน มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่นี่สมาธิจังได้กรรมสมาธิอยู่ผล มีน้ำปั่นปวนไม่มีทางที่แล้วไหลยังห้วง <c oughs> <c oughs> ไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งอ่วงน้ํานั้นทั้งหมดที่น้ําเย็นให้รัดกุมแล้วก็ไม่มีช่องช่องโหว่ไอ้คิดเป็นอย่างอื่นนะความจริงไม่ต้อง นี่เราย้อนกลับมาพูดว่าในทุติยฌานนั้นท่านไม่พูดถึงอุปจารสมาธิอีกเพราะว่าอุปจารสมาธินั้นพูดตั้งแต่ใน สู่เตชาฌานได้ชั้นที่ 2 มีความสงสัยมากกว่าที่ผู้เชื่อปกติพวกเราคิดๆแล้วมากก็ยังๆนะ ตรงนี้ก็ก็พูดเฉพาะในบางจุดไปก่อนเท่าที่จําเป็นเนี่ยเอ่อๆว่าปสาทะ เอ่อที่จริงตรงนี้น่ะไม่ได้พูดอย่างเป็นองค์ฌานแต่พูดอย่างชนิดที่เป็นอ่าพอง ที่ก็เป็นคนละตัวกันตัวหมายถึงจิตของตัวเองให้คุณก็เป็นคนละตัวกันเอ่อ ธรรมเอกในที่นี้ท่านหมายถึงสมาธิสมาธิทำไมจึงกล่าวถึงสมาธิไว้ในที่นี้ว่าเป็นธรรมเอกอ่าผมก็พูดให้ฟังตามบทอธิบายของพระคัมภีร์ว่าเพราะว่าสมาธิในฌานที่ 2 นั้นเป็นสมาธิที่ถือว่าเป็นเลิศเป็นเลิศ กว่าสมาธิในฌานที่ 1 เหตุเขาว่า 1 นั้นยังมีวิตกมี พอมาถึงฌานที่ 2 นั้นปรากฏว่าไอ้ปฏิปักษ์หรือสิ่งที่จะต้องละในฌานเนี่ยไม่ประณีตไม่ วิตกฮะนะฮะอ่าอันนี้เป็นจานจตุกะไนอ่าจตุกะไนทั้งวิตกและทั้งวิจารณ์เพราะว่าสําหรับ 1 มาแล้วเนี่ยเห็นว่าสมาธิของ คือความกระเพื้มไหวของวิตกและวิจารณ์อันนี้ท่านก็พูดไว้อย่างนั้นจริงๆนะ ในนิรวันทีนี้น้ําใสบางทีมันไม่ใสเพราะมันมีอะไรบางนะเห็นก็ไม่รู้ เพราะนั้นเค้าเห็นได้อย่างไงว่าไอ้วิตกวิจารณ์เนี่ยทํา ไปเจอวัตุกามเมื่อไปเจอวัตุกามกิเลสกามก็ได้จ้องโผล่ไม่ต้องก็หมดเที่ยน้ํานะนิ่งเป็นเอกเสียถึง อ่าธรรมหมายถึงสมาธิอย่างเป็น 1 จริงๆเกิดขึ้นขึ้นสมาธิยังไม่หวั่นไหวด้วยคุณธรรมชั้นต่ําคือวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้น เอ่อเวลาที่เราพูดถึงศรัทธาอย่างในกรณีของ